พระธรรมเทศนาแผนที่109ราลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่18เมษายน2560มีชื่อเรื่องว่าสแสวงหาสิ่งเลิศก่อนไปเกิดใหม่ต่อในไปตั้งใจฟะะังนคณะทายาโยมลูกหลานทุกคน หลวงพ่อก็คงจะไม่กล่าวอะไรมากถ้ามีพิธีกรรมพิธีการไม่มีการแสดงธรรมเเลยก็มันขาดไปเพราะนั้นต้องมีการแสดงธรรมว่ากล่าวบทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ า, จาให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะและก็วันนี้อย่างที่โคศกได้พูดได้กล่าวหลวงพ่อเอง ก็ได้ทราบในช่วงที่เป็นช่วงที่เทศกาลวันสงกรานต์หลวงพ่อทราบท่านพระอาจารย์จดโทรไปแต่หลวงพ่อก็เออทำไมอาจารย์พระครูจังๆไปแต่ก่อนหน้านี้นะหลวงพ่อผู้น่าหลาวท่านก็ไปกล่าวบอกกล่าวหลวงพ่อหลวงพ่อเองก็ได้ประสานไปทางหมอเหมือนกัน แต่ว่ามันสุดวิสัยมันพอเป็นหมอมะออมะคํำนี้มอมะทันี้เนี่ยมันเล่งใส่มันเล่งใส่ไครแล้วก็แปลว่าไม่ผิดเป้าอมันตรงเป้าเลยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อได้ยินแล้วก็เป็นระยะที่เท่าไหร่ก็ถามว่าเป็นระยะมากแล้วนะหลวงพอ่ออืมเอาแถึงยังไงก็ให้อยู่ทางในโรงพยาบาลถ้าออกมาก็รู้สึกว่าจะลําบากนะ พ่อมีแต่พูดเท่านั้นเองนะอพอต่อมาก็ทราบข่าวนี่แหละอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบกันแต่ก็น่าเสียดายเพราะเหตุใดเพราะว่าอายุของท่านยังน้อยยังหนุ่มอยู่อายุเพียงห้าสบสามปีปัญษาก็33สสาเป็นพระผู้ใหญ่ถ้าหากว่าสมัยก่อนเก่าที่พระหายากนะ พรรษา33ก็เป็นพระมหาเทระผู้ใหญ่แล้วนะแต่ทุกวันนี้มีครูบาอาจารย์มีพระมากก็เลยเหมือนกับพระท่านก็นยังน้อยอยู่เพียง33พาพรรษาแล้วก็หลวงพ่อเองก็เมื่อทราบข่าวแล้วก็เมื่อท่านอาจารย์พวกครูผู้นันหลา่าที่ไปพูดคุยแต่เมื่อวานในหลวงพ่อเออถ้าไม่มีอะไรผมก็จะรับนะแต่หลวงพ่อจะได้มาก็ได้เตรียม จะตกปัจจัยแล้วก็เตรียมผ้าไตรมาร่วมสมทบในงานของอาจารย์พ่อครูด้วยอย่างที่โคศกได้พูดได้กล่าวก็ได้เตรียมปัจจัยของคณะสงฆ์ของวัดเป็นจำนวนเงินสี่0มบาทแล้วก็พร้อมกันก็ผ้าไตรผ้าขาว10บพับผ้าไตรอีกส0บพับเพื่อมาร่วมสมทบแต่ก็ละ พวกเราก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันถ้าจะว่าไปแล้วก็อยู่ในเวียงวางเดียวกันอยู่ในคอกเดียวกันอยู่ในคลองเดียวกันมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้อง ด, ดูแลกันมีอะไรเกิดขึ้นในหมู่ในคณะในกลุ่มพึ่งพาอาศัยกันนี่แหละคณะสัตย า, าญาติโยมโลูกหลานถ้าต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะเด็ก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 ขยวยธรรมมาสัางคาราอัปปมาเดนะซัมปาเดทาตีติวันนี้เป็นวันที่สิบแปดเมษายนพุทธศักราชสองพอันห้าร้อยหกสิบลวงพ่อได้จะได้มากล่าวสังเวทนิยกถาคือกระถาเกี่ยวกับการมรณะภาพของพระคูสิวิธรรมรังสี วงเล็บสินชัยศริจันโทอายุห้าบสามปีพรรษาส3สสาที่ท่านมรณะภาพลง เ, เมื่อวันที่ส5บห้าที่ผ่านมาแล้วก็จะพระราชทานเพลิงจริละของท่านวันที่26สวันที่ย5ห้าเมษา พุทธศักราช 2,560 วันนั้นท่านผู้ใดได้ยินเสียงหลวงพ่อบอกประกาศเปล่าออกไปนีก็จะมาร่วมสมทบมาร่วมพระราชทานเพลิงสิริละประชุมเพลิงพระราชทานเพลิงท่านอาจารย์พระครูขอเชิญคงจะได้จะให้กว้างขวางก็คงจะไม่ ว่างขง ว, กวากเพราะมีเวลาจํากัดแต่ถึงยังไงก็ตามเมื่อผู้ใดใครก็ตามได้ยินครูบาอาจารย์ญาติพัฒสงฆ์ทั้งหลายน้องนุ่งทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเมื่อได้ยินแล้วกว็มาร่วมมารวมกันทวารพระราชทานเพลิงจริระสรังขารเผาประชุมเพลิงพระราชทานเพลิงเพราะคนคนหนึ่งท่านผู้นึ่งก็มีครั้งเดียว ถึงจะ ย, ยุ่งยากยังไงท่าที่เป็นญาติชนิดมิตรสหายที่เป็นสหธรรมมิกก็ควรจะมาร่วมมารวมกันฝั ง, ง, งเผาดุกเผาดุกหลังฝังดูข้างคนโบราณเขาพูดอย่างนั้นพอคนหนึ่งเขตายเพียงครั้งเดียวไม่ได้ตายเพียงสอ ง, สองไม่ได้ตายสองครั้งเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะทาญาตโยมทุกหมู่ทุกเหล่าหนะ้าที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว ให้ช่วยๆกันจัดงานของท่านเพราะว่าเป็นที่รักเคารพของพวกเราเนี่ยแหละเมื่อไม่กี่ปีข้างหลังที่ผ่านมาก่ะท่านอาจารย์พ่อครูเจ้าวาดถูกปูแผงของเราท่านก็ได้มรณาภาพแต่ท่านอาจารย์พ่อครูเนี่ยก็มารักษาเดี๋ ย, ม า, า ม, ยมาเป็นเจ้าวาดแทนก็อยู่ไม่ได้นานอีกนี่แหละ เว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเพราะนั้นอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาธษิตเบื้องต้นว่ามรณงเมพวิส ต, ติขอแปลหรือความหมายก็ว่าเป็นการเตือนย้ำกล่าวเตือนการว่าข้าพเจ้าจะต้องตายอีกสักวันหนึ่ง น, นี้มรณงเ ม, มงเมไปว่าข่ามรณงไปว่าฆ่าข้าพเจ้าจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งข้างหน้า อันนี้หลวงพ่อเองไม่ได้พูดให้กับผู้ใดใครนะหลวงพ่อพูดกับหลวงพ่อเองอีกต่างหากนะหลวงพ่ออินอีกสักวันหนึ่งหลวงพ่ออินจะต้องตายนะอีกสักวันหนึ่งข้างหน้านะหลวงพ่อพูดอย่างนั้นพูดให้เพื่อให้ฟังไม่สะทกสะทานอีกต่างหากเ mm hmm. พราะอะไรมันจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่เป็นอย่างอื่ น, นแล้วก็หลวงพ่อย้ำเรีกว่าไคยะวยธรรมมาสังขาราอัปมาเดนะสัมปาเดธาติ อันนี้ยกพุทธภาษิต ท, ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวเตือนเมื่อพระองค์จะปรินิพานในนาทีสุดท้ายในวันเดือนหกเพนพระองค์ก็บอกว่าทั้งสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาะเทเถิดอันนี้ก็คือเป็นพระธรรมคําสอนที่กล่าวย้ําเตือนไม่ใช่ว่าตายแล้วตายเฉยเฉแล้วก็หยุดไปไม่ใช่เพียงไม่ใช่มีเพียงแค่นั้นนะ ตายแล้วพวกเราจะต้องเกิดอีกต่อไปภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านในจุดนี้นะให้พวกเราได้ฟังและศึกษาให้ศึกษ า, กษาแล้วก็ปฏิบัติตามาคำสอนของพุทธะนะมาลานังเมอีกสักวันหนึ่งเพือ่พออะไรเพราะพระองค์จึงได้จะได้บอกกล่าวพระองค์บอกว่าดูก่อนอานน เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอานนนพระอานนนกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าประมาณวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่าอานนนตั้งอยู่ในความประมาทควรจะระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกถ้าหายใจไม่เข้าแล้วก็ใช่หายใจไม่ออกไม่เข้าหายใจไม่ออกแล้วก็ใช่ตายเพราะนั้นให้เธอระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก แต่ได้มาเปรียบเทียบกับพวกเราทัานทั้งหลายพอหลวงพ่อพูดเข้ามาเพียงแค่ที่พวกเราเกิดสะดุ้งโหยงขึ้นมาแล้วเอ๊ะทาไมหลวงพ่อจะในพูดอย่างนี้ทุกคนจะต้องตา ย, ยนี่แหละเพราะพระว่า พ, พ, พวกเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ า, จาวพวกเราก็ต้องคิดว่าชีวิตของข้าเนี่ยอีกสักวันหนึ่งไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งเอจะต้องถึงจุดจบของมันแต่ว่าเพื่อถึงจุดจบจุดนั้นหละเรา มีคุณงามความดีอะไรบ้าง เ, าเป็นเครื่องอุ่นใจบุญกุศลเราเพียงพอหรือยัง เ, เรื่องว่าเราชำระกิเลสบริสุทธิ์จุดพ้นจากอาสวะกิเลสหรือยังจุดนั้นเป็นจุดที่พวกเราจะต้องคิดพิจารณาแล้วว่าดูมองมองดูตนเองอย่าไปมองคนอื่นนะให้มองตอนเองเอบุญกุศลของข้าพเจ้าเพียงพอหรือยังที่ข้าพเจ้ า, อ, าอยู่มาอย่างนี้ แล้วอีกสักวันหนึ่งไม่ว่าไม่รู้ไปรู้ววันไหนละอีกสักวันหนึ่งคนความตายของคนมีมากมายหลายหลายอย่างนั่งรถไปตายก็มีตกเครื่องบินตายก็มีนอนหลับตายก็มีอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินเพราะความตายเป็นของไม่เที่ยงแท้นแน่นอน mm. เพราะฉะนั้นวัดเราไม่รู้จะจะจุดจบในจุ ด, จดไหนเพราะนั้นท่านจึงให้ตั้งให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ให้ประกอบคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเอาไว้นี่แหละอันนี้คือจุดนี้สาคัญนะถึงตายน่ตายแน่แ น, น่แต่ว่าก่อนที่ประกอบคุณงามความดีจุดนั้นสาคัญถ้าว่าพวกเราชำระกิเลสภายในใจของเราปริสุทตุท้ลแล้วเป็นพอรหัรแล้วกูดง่ายๆถึงจะตายยังไงก็ตายไม่ได้กลัวตายเพราะเรา เพ่งภาชนะดินไปรับเอาภาชนะทองคำเที่วันเหนือกว่าเหนือกว่าสิ่งที่เราที่เราได้ไปเมื่อเราจากไปแล้วนะแต่ทีนี้ถ้าว่าพวกเราไม่ถึงขนาดนั้นพวกเรากควรจะประกอบคุณงามความดีเก็บหอมลอมริบไปเรื่อยสิ่งไหนที่มันดีคิดดีทำดีพูดดีแต่ในหลักของพุทธศาสนาไม่ใช่ว่า พวกเรามีเงินแล้วไปทำบุญใช่ส่วนนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่ไม่ใช่ว่าคนมีเงินไปทำบุญแล้วจะได้บุญนมากในหลักของพุทธศาสนาท่านไม่ได้ถือว่าการทำบุญอย่างนั้นเป็นเป็ น, ปนการทำบุญที่ว่าเลิ่อประเสริฐท่านจึงบอกท่านจึงกล่าวว่าการภาวนาทำจิตใจให้สงบอันนี้เลิ่ประเสริฐกว่าท่านจึงเปรียบเทียบ ว, ว่า การให้ทานที่ของได้มาที่บริสุทธิ์ร้อยครั้งสู้รักษาศีลครั้งหนึ่งไม่ได้ถ้าว่ารักษาศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งสู้นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบเป็นหนึ่งจิตใจให้นิ่งไม่ได้นี่แหละอเนกสงมามากต่างมากต่างกันและก็พร้อมกันการทําบุญพวกเราเขียนว่าทําบุญคํานี้ก็เหมือนกับว่าเราต้องเอาเงินไปถวาย พระเอาไปถวายวัดเอาไปถวายการเทศอันนั้นก็ใช่มันเป็นบุญเป็นกุศล ส, ส่วนหนึ่งแต่รักษาศีลก็ใช่แล้วก็นั่งภาวนาก็ใช่การปฏิบัติตนเป็นคนดีก็ใช่แล้วก็ปฏิบัติพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีสัมมาคารวะเป็นคนคิดดีทดําดีพูดดีไม่เบียดเบีย น, ยนตนและผู้อื่นอันนี้นก็ใช่ มันมีมากมายคุณงามความดีที่จะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจไม่ใช่ว่าเราจ ะ, จะทําทานอย่างเดียวนะทาทานนี่ก็ใช่อันนี้สงแห่งการทําทานในหลักของพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจา้าท่านตรัสว่าที่เราตถาคตเดบตรรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่ก็คือมาจากการทําบุญทําทานเราเกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากปพราอะไรเพราะอันนี้สงทานเกื้อกูลนุนนี่แหละ อันนี้สงสีนคุ้มครองทําให้เราชีวิตของเราร่มเย็นเป็นสุขไม่มีใครมาเบียดเบียนหลังแกอันนี้ก็คืออันนี้สงสีนอันนี้สงภาวนาก็ทําให้จิตใจของเราสงบสติมั่นคงพูดจาพาทีก็เป็นที่ยอมรับของผู้คนทั้งหลายเพราะมีสติสมบูรณ์นี่แหละอันนี้สงศทานอันนี้สงสีนอันนี้สงภาวนาแต่ถึงยังไงก็ตามหลักของพุทธศาสนา หลวงพ่อจะน้มหนาวยวงใหญ่ไปถึงต้นพุทธศาสนาก่อนที่เป็นพระพุทธศาสนาขึ้นมาได้เป็นเพราะอะไรมาจากไหนจุดไหนคือพุทธศาสนาถ้าว่าพวกเราได้ศึกษาในพุทธประวัติแล้วพระพุทธเจ้าหนีออกจากเวียมวังออกจากปราสาราชมณเทียน ก, ก่อพงพระอพงเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทําไมจึงหนีพระ อ, องค์ไม่รู้จักความสุขเหรอ อ, อมีสามีภรรยามีลูกมีทรัพย์สมบัติมีเงินคําทรัพย์สมบัติมีบริวารไ อ, อ้พระ อ, องค์มีพร้อมบริบูรณ์พระ อ, องค์ทําไมหนีออกไปบวชพระ อ, องค์ไม่รู้หรอือเมื่อทําไมจึงหนีไปออกจากเวียงวังพระ อ, องค์เป็นอะไรทําไมจึงคิดอย่างนั้นฮถ้าคนคิดอีกแนวหนึ่งก็ต้องคิดอย่างนั้นแต่พระ อ, องค์พิธีพระพุทธเจ้าท่านคิดท่านไม่คิดอย่างนั้น ก่อนที่ท่านจะคิดจุดนั้นเนี่ยท่านสะเทือนใจอย่างมากท่านไปเห็นคนแก่เพราะเห็นคนแก่แล้วโอ้ตายจะหาความสุขได้ยังไงแก่อย่างนี้ต่อไปเป็นยังไงต่อมาเห็นคนเจ็บต่อมาเห็นคนตายต่อมาเห็นสมณะนะี่ยสัมมณะคือนักโทษนักบวชคือเป็นพระเรือว่าเป็นสมัยนั้นเป็นนักโทษนักบวชเพราะนักโทษนักบวชสมัยนั้นมีมากไม่รู้ว่ า, านักโทษประเภทไหนเเห็นนักโทษ พอเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็ยังไม่คิดหมดไม่รู้จะเอาออกจะทํำยังไงจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรจะหาทางออกอย่างไรเมื่อเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแต่พอไปเห็นสมณะคืนท่านนั่งอยู่โคลนต้นไม้นั่งอยู่ขัดสมาธินั่งอยู่ตามลําพังนั่งคุ้นคิดอยู่ตามลําพังท่านบอกเออถ้าเราออกมาคุ้นคิดมานั่งคิดอย่างธรรมณะท่านนี้ คงจะเห็นช่องทางเพราะเหตนอะไรท่านเราอยู่ในเวียงวังมีการบริหารจัดการไฟฟ้าประชาชนรักษารักษาประเทศชาติบ้านเมืองหาหาปัจจัยหาเงินคําทรัพย์สมบัติเลี้ยงประเทศชาติบ้านเมืองออหาวัตถุแล้วก็ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองมันมีมากเหลือเกินสําหรับภาระของเราที่อยู่ในเวียงวัง แต่ถ้าเราหนีออกมาจากเวียงหวงังมานั่งอยู่ตามมาคุ้นคิดอย่างนี้นะ่คงจะหาช่องทางได้นะอันนี้ก็คือสิทธัตถะเนี่ยนะในก่อนที่ท่านจะหนีออกจากเวียงวงังท่านมีแนวความคิดอย่างนี้นะจากนั้นท่านจึงเสเด็จไปชมสวนทราบว่านางพิมพายโสยโสธรานะประสูตรพระอรดพระโอรสคือพระราหุลท่านก็บอกราหุนะ เครื่องผูกพันเกิดกับเราแล้วนะท่านจะได้หนีออกจากเวียงวังในคืนนั้นนะถ้าอยู่ต่อไปกันะนะคงจะรักลูกรักเมียรักทรัพย์สมบัติคงจะหนีไม่ออกนะในพระองค์จึงได้หนีรีบหนีก่อนนะไปอยู่ในป่าไปบําเพ็ญอยู่ในป่ากษัตริย์ไปอยู่ในป่าพวกเราคิดดูสิพระเจ้าไปนิดไปอยู่ในป่าอย่างนั้นคิดดูสิไปหาขอทานฉันอีกต่างหากสมุเอีกต่างหากอาไปอยู่ทถึงหปี ลองผิดลองถูกรองผกถูกลองผิดอยู่นั้นนะอจนถึงวันเดือนหกนะ เ, เพน่ะเอพระองค์จึงได้ตัดสรูรพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่แหละจุดนี้แหละทีนี้จุดที่ว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะเยอจุดนี้แหละให้พวกเราศึกษาทีนะี้แต่ลองผิดลองถูกรองไปต้องวา น, นนั้นลองวิทยาศาสตร์ยังไม่สําเร็จนะยังไม่จบไม่สิ้นอแต่ว่าเมื่อสําเร็จจุดยังไง พระ อ, องค์นั่งขัดสมาธิในวันเดือนหกเพนท์ในพวกเราฝักเอาไว้พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินไม่อัดสดงองท่านหาที่นั่งได้ยาคาได้ยาคา8ดกำมือในโสธิยมอบให้จากนั้นพระ อ, องค์ก็หาที่ทําเลที่นั่งทางทิศตะวันออกของต้นโพธิ์ถ้าพวกเราไปเห็นต้นโพธิ์พุทธกายาประเทศอินเดียแล้วเราจะพร้อมมองออกนะจากนั้นพระ อ, องค์ก็ใช้ยาคา8กำมือ เออเคียเอาประสานหางใส่กัน4ี่กำมือหันไปทางหนึ่งอีกสี่กำมือหันหัวไปนคนละทะัก ล, ละข้างกันเอาหางประสานกันเหมือนกับพวกเราเห็นยากาพวกเราภัยยากาอยู่แล้วนะมูงหลังคาเนะ่ยพวกเราพอหลวงพ่อผูดอย่าง้คงจะคงจะคิดออกนะจากนั้นพอประสานกันเสร็จแล้วพระองค์ก็ขึ้นเป็นนั่งเป็นอาชนะยากาเนะนะี่ยหันพระพักคือหันหน้าไปทางทิศ ต, ตะวันออก นั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นกับมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวรู้ ต, ตัวตลอดเวลาว่า เรานั่งอยู่ น, นสถานที่ใดกําหนดลมหายใจเข้าอารู้หายใจเขา้าหายใจออกรู้หายใจออกนี่แหละาจากนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเพราะผมไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตแต่ถึงยังไงก็ตามนะอตอนหัวข้ามตอนนั่งใหม่ๆนะพญามารมาแย่งบันลังของพระพุทธเจ้าอันนั้นก็คื อ, อถ้าเราคิดดูแล้วพญามารจะมาจากที่ไหนก็คือใจของพระองค์นั่นแนหะ พอองค์พอนั่งคือสมาธิขึ้นมาแล้วก็คนเราก็ต้องนั่งคิดถึงเวียงถึงวางถึงถึงสนมกำนันทึกความสุขความสบายที่มันเกิดขึ้นอันไหนอดีตนะนท่านบอกพยามาณคือความหลงความรุ่มหลงมัวเมาแล้วก็คิดถึงนางตันหาราคาอราดีทาไมพระพุทธเจ้าจึงไปคิดถึงลูกสาวพยามาณถึงขนาดนั้น พญามารลูกสาวพญามารจึงมารบกวนถึงขนาดนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือใจของเรามันสวัสว่าบไปเรื่อยแต่พระ อ, องค์จั่งตั้งกิตติฐานให้แน่วแน่ไม่หวั่นไหวในเรื่องออความโรบโกวนหลงเหล่านั้นเรื่องการมราคะเหล่านั้นพระ อ, องค์เอาจึงได้ชนะชนะพญามารพร้อมกับเสนามานพร้อมกับนางตันหาราคาอรดีนะที่โคลนต้นโพในตอนหัวคำนะ แหม่ไม่ใช่ว่าพระองค์นั่งราบเรียบราบปรินไม่ใช่นะลูกหลานคณะทศาญาติโยมนะพวกเราศึกษาดูแล้วไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันประชุกพระพุทธพระพุทธเจ้าในสู้ในพระไทยสู้ใจของพระองค์นะจากนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมสงบเป็นหนึ่งพอจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งเกิดญานรัตเกิดยาณรัตนะเกิดฌานคือความรู้พิเศษขึ้นมาในพระไทยของพระองค์ จะเกิดความรู้จุดนั้นเดี๋ยว่าปุกเพนิวาสานุสติยานล้ำลึกชาติผลหลังได้ น, นี่แหละสรุปแล้วคือหลักของพุทธศาสนาเนี่ยตายแล้วไม่สูญนะพวกเราคณะจัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะถ้าอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดรด้ตายแล้วสูญเนให้นั่งทําสมาธิอย่างพระพุทธเจ้าพานั่งนั่นแหละ เ, เมื่อจิตใจของของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนั้นจะเกิดความรู้ขึ้นมาจิตใจเน่ง รู้ได้ร่างกายกับใจใจกับร่างกายนะรู้ด้วยรู้ด้วยของเราเองเรารู้ด้วยตนเองนะพอถึงเที่ยงคืนพระ อ, องค์ก็ได้ตัดรู้พระอนุตต ร, ส, รสัมมาสัมโพธิตัดรู้อีกอได้ญาณอันนึจุตูปปาตญาณการจุ ต, ติกา ร, การเกิดการตายของสรรพสัตว์สรุปแล้วก็คือพระ อ, องค์ตอนหัวขําพระ อ, องค์มองมอ ง, มองพระ อ, องค์เองดูพระ อ, องค์เอง สิทธะเรามาจากไหนเราเป็นยังไงจากนั้นพระองค์ก็รู้ได้ว่าเรามาจากสวรรค์ชั้นดุสิตก่อนที่จะขึ้นสวรรค์ชั้นดุสิตรเราเป็นพระเวทชั้นดอนต่อไปป x ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงห้าร้ยชาติห้าร้อยชาติพันชาติ1มื0นชาติแสนชาติพระองค์ไล่เลี้ยงดูน่แหละอันนี้บอกในหลักของพุทธศาสนาแหละตายแล้วไม่สูญนะพวกเราคณะัทาญาตโจ ถ้าเรานับถือพุทธศ า, าสนาแล้วให้ศึกษาจุดนี้นะไม่ใช่ว่าตายและศูนย์ดับไปท้ายร่างกายนีนดับแน่แต่ว่าดวงวิญญาณคือดวงตัวผู้รู้คือนม า, ามธรรมนะไม่ดับจากนั้นพระ อ, องค์ก็พอถึงเที่ยงคืนมองดูเหมือนกับหลวงพ่อนั่งอยู่บนธรรมะจอย่างนี้ล่ะแล้วก็มองดูศรัทธาญาติโยมเอ๊ะพวกเราท่านทั้งหลายเป็นคนเหมือนกันทาไมไม่เหมือนกันทําไม รูปร่างการตัวต่างกันฉเฉลียวฉลาดต่างกันมั่งมีสีสุต ก, รรกต่างกันจดเท้าบรรดาศักด์ต่างกันมันต่างไปหมดเ พ, เพื่เอเพื่อยังมีบ้ายังมีบ้ายังมีคนประสาทอีกต่างหากอหูหนวกตาบอดอีกต่างหากทำไมพระองค์มองดูทําำมาเกิดเป็นคนทําไมไม่เหมือนกันจากนั้นพระองค์ก็มองดูแล้วตัวมองดูแต่ละคนเถิด มองดูตัวแต่ละดวงวิญญาณคนะือทุกคนมีวิญญาณด้วยนะท่านก็มองดูอันตีแต่ชาติของ เ, าเขาเนะี่ยท่านเหล่านี้ทำกรรมอันไหนไว้ท่านก็มองดูท่านก็รู้ะไรว่าทุกคนทำกรรมไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันทำไม่เหมือนกันโทษไม่เหมือนกันในเมื่อคิดทำโทษไม่เหมือนกันกรรมที่ที่กระทำไปนั้นนะ่ะมันให้ผลเ ในเมื่อมันให้ผลและคิดเป็นอกุศลการกระทําผิดศีลห้าการพูดออกไปกับผิดศีลและทำมิตกพดมิตกโกลมิตกพูดวาจาได้ไม่สุภาพยุยงให้คนทะเลาะแตกแยกสามัคคีกันยุยงสงให้แตกกันอีกต่างหากบาปกรรมตัวการพูดก็ไม่ใช่น้อยบาปกรรมในการกระทําก็ไม่ใช่น้อยบาปกรรมในการในความคิด จิตใจมัวหมองจิตใจเศร้าหมองในการคิดก็เป็นส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันเพราะฉนั้นพระองค์จึงเมื่อได้ตัดสรู้เป็นได้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านได้ให้โอว่าโอวาทปฏิโมกกับภิษุทั้งหลายว่าอักตังรุกตังเสยโยกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั้นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง อันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือพวกเราเป็นมาด้วยกรรมเป็นไปด้วยกรรมกรรมคือการกระทําการทํากรรมทําร้สางถาสามทางมโนกรรมคือคิดชั่วคิดดีคิดชั่วคำว่ากรรมกรรมเขานี่คือมันยังไม่ได้แยกนะถ้าหากว่าถ้าทํากรรมชั่วหรือว่าอกุศลกรรมถ้าทํากรรมดีแล้วว่ากุศลกรรมถ้าว่าการกระทําออกทางกายออกไปเรียกว่า ทำดีแล้ววากุศลกรรมถ้าทำกรรมชั่วแล้วอ่ะกุศลกรรมการพูดก็เหมือนกันถ้าพูดชั่วแล้วอ่ะกุศลกรรมถ้าพูดดีแล้วกุศลกรรมนี่ว่ากรรมคำนี้เป็ว่าสองมีอยู่สองเอพราะฉะนั้นพวกเราจะทำกรรมดีและทำกรรมชั่วในเมื่อคนเราเนี่ยทำกรรมดีเกิดมาดีเรียนหนังสือเก่งจะเป็นคนดีมาตลอดมีสัมมาคา ร, ระวะต่อผู้เฒ่าผู้แก่การศึกษาเรียนสอบได้ทีได้หมดราชการประพ้นก็ดี แล้วความดีเป็นยังไงเมื่อทำการทำงานก็ได้ดีเงินเดือนก็ดีก็ไปที่ยอมรับของผู้คนทั้งหลายมันดีไปหมดเพราะดีพราะคิดดีทำดีพูดดีถ้าชั่ ว, วอะไรจะไหนเกิดมาแต่เล็กแต่น้อยก็โอ้โหเอาแต่ใจตัวเองเอเงอแงอีกต่างหากไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่เชื่อฟังวัยวุฒิคุณวุธผู้เฒ่าผู้กแก่พี่ป้าน้าอาของตัวเองเอาจากนั้นก็เป็นคนเกเรอีกตงหาก เออทําร้ายทําร้ายพวกนี้แต่หากพ่อใหญ่ขึ้นมาทั้งคดทั้งโกงทั้งพลทั้งกี้แล้วมาคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีคนดีกับคนไม่ดีเนะ่ะจะให้ผลยังไงเออคนดีก็มีแต่เป็นเจ้านายเจ้าใหญ่นายเออเจ้าใหญ่นายโตขึ้นไปนะถ้าคนไม่ดีเขาก็จับเข้าคุกเข้าตารางนะ่ะลงเออลงแสลงไม้หัวดลงตะพดนะมีอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นนี่แหละ ดีกับชั่วมันให้ผลอย่างนั้นแต่บ่าคิดดีเป็นยังไงกุศลกรรมอากุศลกรรมเป็นยังไงอันนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายดูนะนี่คือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสรู้ในเที่ยงคืนพอจวนสว่างท่านก็ได้ตัดสรุปอันภาอนุตระสัมมาสัมพโพธิญาณใจตรงนี้มาจากไหนมาจากไหนออกมาจากไหนเกิดมาจากไหนใจตรงนี้ ท่านก็ย้อนไปดูพระไทยใจของพระ อ, องค์พระ อ, องค์รู้เลยว่าอาวิชชาปัจจะยาสร้างฆ่าราษที่ปฏิจจสมุปบาทจากนั้นก็จึงโสโสกะปิเทวทกกะโทมานัตุร้องให้พิไรรำพันเพราะใจตรงนี้ออกมาจากความโง่ใจออกมาจากตัววิชชาเนะนี่ยแหละพระ อ, องค์ก็จำชำระพระไทยใจของ อ, องค์ด้วยตปะธรรมคือศีลสมาธิปัญญาคือมักแปดนั่นแหละสามมาทิติเป็นเบื้องต้น สัมมาสมาธิเป็นประโยศานจากนั้นพระองค์ได้ชำระพระไทยใจขององค์จิตใจขององค์บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสจะได้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพุทธะให้พวกเราคณะสัตยา ญ, ญาติองค์ศึกษานะแต่จะ น, นี้มาศึกษาในแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอย่างหลวงปู่มั่นท่านว่าทําจิตใจให้สงบเนอะ เพอจิตใจนั่งสงบกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องคิดไปถึงอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคตกำหนดลมหายใจเข้าให้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกเหมือนกับเราไปยืนอยู่ข้างประตูเวลาลงหายใจเข้าเหมือนกับทุกคนเดินเข้ามาในศาลาหลังนี้ไม่ต้องตามไม่ต้องตามคนเข้ามาอันนี้ก็เหมือนกันเวลาหายใจเข้าไม่ต้องตามลงเขาไปถึงปอด เวลาลมออกไปก็ไม่ต้องเดินตามไม่ต้องเดินตามลมออกไปเพียงถือว่าเพียงแต่รู้ว่าลมเข้าเพียงแต่รู้ว่าลมออก เ, เหมือนกับเรายืนอยู่ข้างปฏิคนเข้าคนน อ, อกคนเข้าคนออกไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามคนออกไปข้างนอกจากนั้นใจของเราจะไม่ได้คิดถึงอดีตอนาคตใจของเราจะเน่งเพราะจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นเราจะรู้ได้นะันะนะ า, าญาตโยนะ เราจะรู้ได้ด้วยตนเองเลยร่างกายกับใ จ, ใจกับใจกับร่างกายเลยหลวงพ่อไปนสถานที่ใดหลวงพ่อก็พูดกล่าวโนวดพวกลูกหลานทั้งหลายนะคะ่ะนักธาญาตโยมนะในเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้โดยตนเองหลวงพ่อเลยเปรียบเทียบให้ฟังว่าทุกวันนี้คนใช้รถมากที่เไปที่ไหนก็ใช้รถใช่ไหมแล้วออกจากที่หนก็นั่งรถไปหลวงพ่อเลยเปรียบเทียบว่าร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถ รถกับคนขับรถพวกเราคิดดูสิว่านี่แหละเมื่อร่างกายแตกตายสลายสู่อย่างอาจารย์พกครูนี่แหละจะไดปะ้ประชุมพระราชทานเพลิงวันที่ยี่สิบห้านี่ยร่างกายของท่านแตกกระจายเอาเผาไฟทึงละะเลยทีนี้แต่ตัวนามมัธยมตัวนั้นล่ะทีนี้ตัวผู้รู้คือใจตรงนั้นอ่ะออกจากร่างและะ้วนะทีนี้นี่แหละตัวตัวที่ออกจากร่างเนี่ยสำคัญทีนี้ตองสําคัญที่ตรงไหนก็คือ เมื่อเราทำกรรมดีหรือทำกรรมชั่วอย่างที่หลวงพ่อได้พูดกรรมคือการกระทํามันมีอยู่สองทางมโนกรรมกายกรรมวิจีกรรมถ้าเราทำกรรมชั่วแร้วว่าอคุสนกรรมถ้าเราทำกรรมดีคือกุสนกรรมในเมื่อดวงวิญญาณออกจากร่างเมื่อประชุมเพลิงและเผาร่างกายของท่านแล้วนั่นแหละกรรมทั้งสองอย่างนั้นสองตัวนั้น เป็นจะเป็นเพื่อนสองนะท่นนเป็นเพื่อนสองให้ก็บอว่าเป็นเพื่อนของเรานีถ้าเราทํากรรมดีกรรมดีก็จะเป็นเพื่อนสองพาเราไปไปเกิดจะไปเกิดที่ไหนไปเกิดเป็นมนษษุษย์ไปเกิดที่มั่งมีสีสุขทําไปพ้นทุกข์นะแล้วจะไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าจะไปเกิดเป็นภูมิลุคะเทวดาจะไปเกิดเป็นพรหมถ้าว่าใจตรงนั้นบริสุทธิ์กับตัดกิเลส แหมเป็นพระหันหรือพรหมพรหมสุตวาดหรือเป็นพรหมพระสักคาคามาีหรือว่าเป็นสวรรค์ของพระโสดาบันนี่แหละอันนี้เราเลือกเกิดได้เพราะว่าบุญเป็นเพื่อนสองนะแต่ถ้าว่ า, าถ้าว่าใครตายาไปแล้วเนะี่ยมีแต่ทาบาปบาปอกุศนเป็นเพื่อนสองนะพอจากนั้นพ อ, พอตายไปนั้นบาปเป็นเพื่อนสอง เข้าไปล็อกแขนเลอจากนั้นก็โยนลงนรกก่อนเพราะมันบาปหนักใช่ไหมลงอเวจีมหานรกก่อนจากนั้นอพอพ้นจากนรกกมาเกิดเป็นเปรตมาเกิดเป็นสัตว์ที่ฉันช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็นไก่เป็นได้ทั้งนั้น<ม>เออเพราะว่าวิญญาณดวงนี้น่ะคือใจตรงนี้น่ะขนาดเป็นพระกรรมฐา น, นในครั้งพระพุทธเจ้าน่ะพ่อตายไปแล้วเนี่ยแล้ลึกถึงผ้าจีวรเป็นห่วงผ้าจีวรเท่านั้นนะ ยังตายไปเป็นเล่นนะเอบเป็นตัวเล่นตัวไรนะเอพระพุทธเจ้ามอเห็นโอ้โหาตายแล้วเป็นผ้าแท้ๆนะยังตายเป็นห่วงผ้าจีวรเอดูก่อนพระอาณน์เดยพึ่งให้พระเรานะั้นแจกนะผ้าจีวรเพราะเล่นตัว น, นั้นน่ะมันห่วงผ้าจีวรของมันนั่นวิ่งไปวิ่งมาร้องห่วงร้องไห้อยู่ในผ้าจีวรของเขาเนะีะเอะแต่เล่นไรจ น, น, นอายุเจ็ดวัน ตัวเลนตัวแลอายุเจ็ดวันคณะสัตวทายาทดวงลูกหลานแต่จากนั้นยเย็นเล่นไรแล้วก็เลยตายพอตายแล้วก่อนด้วยอเ น, นสง์บำเพ็ญคุณงามความดีอเ น, นสงภาวนาอเ น, นสง์รักษาสินของตนเองมีอยู่ mm hmm. อเล่นไรตัวนั้นก็นเลยดวงวิญญาณนั้นไปสู่สวรรค์ไปเกิดบนสวรรค์อถ้าว่าพราะพุทธเจ้าให้แจกในช่วงนั้นเล่นไรตอนนั้นโอ้โหไห้พระโกรธให้พระนะ เล่นอะไรตอนนั้นจะตกนรกทันวะพระพุทธอาพระกรองทันวะท่านสงสารว่าการบำเพ็ญคุณงามความดีของออพระองค์นั้นเขาจะไปสู่สวรรค์ได้อยู่ เ, ออเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งแจกผ้าจีวรคนที่เก็บไ้ก่อนพอเก็บไว้แล้วก็เล่นตอนนั้นตายพอตายตอนนั้นเล่นตอนนั้นไปสู่สวรรค์นี่แหละไม่ตำหลับตารามาอยู่ยที่พระ อ, องค์ได้ยืนยันอย่างนั้นเพราะฉนั้นขอให้พวกเรากทุกท่านนะ ตายแล้วไม่สูญในหลักของพุทธศาสนาโพูดยังไงก็ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกบาปปุลคุณโทษนะมีนรกสวรรค์มีกรรมชั่วอย่าทําซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั้นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจอย่าตั้งอยู่ในความประมาทแต่หลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าอาจารย์พระครูของเราท่าน รักษาศีลบริสุทธิ์รักษาไหวพระสวดมนต์มาบำเพ็ญคุณงามความดีม า, าถึงสาสาปีอายุถึงห้าสท่านบวชมาตั้งแต่ เ, เป็นพระน้อยพระหนุ่บมบำเพ็ญมาตลอดนะบุญกุศลของท่านท่านก็ศึกษาในจุดนี้เหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกทท่านได้มาร่วง ม, มารวมกันถาวายถาวายพระนักกุศลถาวาย พเพราะา เ, เพลิดเพลินบำเพ็ญกุศลในศพของท่านนะพระอาจานเพลิดศพของท่านเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเราเหมือนกันนะ่ะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุ ก, ท, กท่านนะเนีอยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่มามรรนังเมยปวิสติพวกเราเกิดมาแล้วต้องตายต้องมีจุดจบแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นมีใครบ้างเกิดมาแล้วไม่ตายบีไหมไม่มี เราเ่ะจะอยู่ต่อไปไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นอก่อนที่จะตายคุณงามความดีของเราเพียงพอหรื อ, อยังเรามีคุณงามมีบุญกุศลในจิตในใจของเราหรื อ, อยังนะี่แะจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญนะแต่ถ้าว่าก่อนที่จะตายเราก็ท้าเราไม่ได้ฝึกนะเราไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจเอาไว้เนะี่ยพอจะตายขึ้นมาคิดห่วงเคว้งคว้างไปหมดนะ่ะ ขนาดพระกมฐ า, านเป็นห่วงไพ่ทีวอลเพียงแค่นั้นนะแต่ก็ยังเกิดเป็นตัวเรนตัวไรถ้าพวกเราลนะ่ะถ้าไม่เคยฝึกหัดไม่เคยภาวนามาก่อนพอาตายไปแล้วจะไปคิดเป็นห่วงวัวห่วงควายเออห่วงหมูห่วงมา้าห่วงบ้านห่วงเรือนเอมันเป็นไปได้ดังนั้นนะคณะสตัยนาาาญญ์ญาติโยมเพราะนั้นใฝึกจิตฝึกใจเอาไว้นะฝึกจิตฝึกใจเอาไว้เออเอาเถอ ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญคุณงามความดีบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญนั้นรักษาสิ่งข้าพเจ้าได้ภาวนาได้เข้าภูเขาได้บำเพ็ญดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายบุญกุศลทั้งหลายจังหวงมาช่วยข้าเด้อข้าจะออกจากล่างละเขาเน้อข้าจะไปสู่สวรรค์ซะก่อนพักผ่อนซะก่อนข้าจะไม่มาเกิดอยู่ในเมืองวันรษ่งมันทุกข์มีแต่เหลือทะเรพีวาดกันเดี๋ยวก็หิ่งนั่นได้โควหิ่งคือหิ่งเน้ มีแต่จะรัดเอาเปรียบกันมีแต่ฆ่าจะฆ่ากันห้าฟันลันแทงกันเฮจะเอ า, เอาคดโกงกันอยู่เบียดเบียนกันอยู่ตลอดข้าพเจ้าขอไปอยู่สวรรค์ซะก่อนจากนั้นก็ลงมาเกิดบำเพ็ญคุณงามความดีได้เกิดในศาสนาของพระศิริเมตรัยนะแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเออจมาเวียดหวาตายเกิดอีกเป็นอนันตการนั่นนะ อันนั้นลิกประเสริฐที่สุดนะคณะสัทายาญาติโยมลูกหลานนะถ้าพอพวกเรายังเวียนไหวตายเกิดอยู่เนี่ยไม่พบอะไรก็ต่อยชาติหนึ่งนะก็มาเจอกันอย่างนี้แหละเอออย่างจานันพักคูนี่เนี่แหละอายุของท่านคณะเนี่แหละพวกเราแหอะจะตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเหมือนกับเอาความตายมาขู่กันให้พวกเรากลัวไม่ใช่นะถ้าเราไม่คิดไว้ น, นั่นอนนันน่ากลัว ถ้าเราคิดไว้เนี่ยเราจะวางแผนยังไงในชีวิตของเราพอมันถึงจุดนั้นแน่แน่แมันมีทางออกนะคะ่นะนััตยทายญาติโยมนะ่ะถ้าเราเระลึกถึงหาทางออกให้กับตนเองถ้าเราไม่คิดไว้นะ่ะนู่นนะถึงข่าวจุดท้ายถึงนาทีจุดท้ายนะ่ะพอตัวเองว่าจะตายท่นะตาลีตะเหลือ ก, กระเสือกกระสนะเป็นทุกข์ใหญ่อย่างมากแต่เราคิดล่วงหน้าไปก่อนเอาเถอะเราได้คิดไว้มากต่อมากแล้วคิดไว้นมนานแล้วเรื่องเนี้ ถึงค่าถึงข่าวค่าแล้วเหรอค่าได้รับเขาส่งวีชั่ววีซ่ามาถึงแล้วเหรอวีซ่ามาถึงค่าแล้วเหรอเมื่อมาส่งมาส่งถึงเราเราก็ต้องบินเลยสิไปต่างประเทศเลยสิเราจะอยู่ได้อย่างไงเพราะเราได้วีซ่าแล้วเนี่ยนี่แหละพวกเราทุกวันเยคอยวีซ่ากันนะคอยวีซ่ากันไม่รู้ว่าวีซา่าใครจะมาก่อนมาหลัง พอมาถึงแล้วก็พวกเราจะต้องกลับบ้านเก่าของพวกเราเนะ่เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเนอย่าตั้งอยู่ในความประมาทการกล่าวสังเวทนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรันตน์ไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุภาพบุญบารมีหลงปู่หลงตาทั้งหลายขอให้มาคุ้มของคณาตฐาญาติโยม จงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมเขาขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกท่านทุกคนด้วยเธิน